อนาปฏิวันพิกษุนต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ5้าร้ิบหนึ่งพิสูจน์ทำสายรัดเข่าหุ้มนุ่นสองพิกษุทําประคตเอวหุมนุ่นสาพิกษุทําสายโยกบาดหุ้มนุ่นสีพิกษุทําถุงบาดหุ้มนุ่น5้พิกษุน์ทำผ้ากรองน้ําหุ้มนุ่น6กพิกษุน์ทำหมอนหุมนุ่น7จพิกูจได้เตียงตั้งหุ้มนุ่นที่พูนทําสําเร็จแล้วมาทําลายก่อนใช้ แภิกษุวิกลจริต9กภิกษุต้นบัญญัติตูโลนันทาศิขาบทที่หจบ